ซึ่งได้ฝึกอบรมไว้ก่อนแล้วมาใช้ประโยชน์ในทางอภิญญาและวิปัสนาจนเสร็จสิ้นส่วนสำนวนแบบที่สองมุ่งแสดงขั้นตอนของการฝึกอบรมสมถะในระหว่างและกล่าวถึงผลสุดท้ายของวิปัสนาครอบปลายไว้พอให้มองเห็นจุดหมายที่จะเชื่อมโยงไปถึงโดยในยะนี้ความเข้าใจผิดพลาดข้อสี่ ที่ว่าสำนวนแบบทั้งสองแสดงปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากกันจึงเป็นอันตอบเสร็จไปแล้วพร้อมกับข้อก่อนก่อน